คำว่าชีวิตใช่ไหมอธิบายในเรื่องของชีวิตต่าสมมาสีสีเนี่ยนะคำว่าชีวิตเนี่ยก็หมายถึงอายุหรือความเป็นอยู่ใช่ไหมอายุหรือความเป็นอยู่เนี่ยเรียกว่าชีวิตทีนี้องค์ธรรมของชีวิตเนี่ยได้แก่หรือสภาวะธรรมรองรับคําว่าชีวิตชีวิตเนี่ย อัดของคำว่าชีวิตนีคืออะไรก็บอกชีวิตตินสีเจตสิกกับชีวิตตรูปไงองค์ธรรมสองอย่างรวมกันอย่างนี้เขาเรียกท่านผู้นั้นมีชีวิตทีนี้บางทีสัตว์บางพบบางภูมิเนี่ยชีวิตเนี่ยแยกกันระหว่างชีวิตตรูปกับชีวิตตนามชีวิตที่เป็นนม้มกับชีวิตที่เป็นรูปเนี่ยแยกกันยกตัว อ, อย่างเช่นถ้าในอรม์ปปภูมิสี่ ก็มีแค่ชีวิตตินสีเจตสิกมีแต่นามเท่านั้นเห็น <ét> ไหมเป็นตัวเป็นตัวรักษาสัมปยุโยธรรมในภพนั้นในภูมินั้นในรูปภูมิทั้งสี่ภูมิเลยเห็นใช่ไหมทันจายันในกลุ่มภูมินี้เป็นอย่างนี้ถ้าในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิมีชีวิตรูปดูแลอนุ ป, ปารลรักษาอยู่แต่ถ้าหากในปัญจโวการภูมิ อบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกรู ป, ปรภูมิสิบหกชั้นมีทั้งรูปประชีวิตและนามาชีวิตเป็นตัวหล่อเลี้ยงดูแลขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยขาดและตายใจบอกมีแต่จิตไม่ได้หรือมีแต่รูปไม่ได้ตายทันทนีเพราะภูมินี้ใครจะมาอยู่คนคนนั้นจะต้องมีขันธ์ห้าจะต้องมีทั้งรูปทั้งนามถ้าจะมีแต่รูปอย่างเดียวเขาไม่รับเขาไม่ต้อนรับภูมินี้ ภมที่มีขันห้ายี่หกภูมเนี่ยนะชี้หนูถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์แปลก็ว่าจะต้องมีขันห้าอีกครบต้องมีขันห้าต้องให้ครบด้วยนะถ้าไม่ครบขันห้าเขาไม่ให้เข้ามาเราภูมิไม่ต้องเขาไม่ต้อนรับต้องให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนะี่ยครบคำว่าครบเนะี่ยไม่ใช่บริบูรณ์นะตาอาจจะไม่มีก็ได้ก็มาเกิดได้เพราะรูปขันยังมีส่วนอื่นอีกหูอาจจะไม่มีก็ได้คุณก็มาเกิดได้ แต่ก็ทุกข์ทรมานหน่อยนะใช่หไหมวันก่อนไปเข้าไปในห้องน้ำก็ไปเจอสัพ์ประเภทหนึ่งยาวขนาดนี้มันคานขึ้นมาเชิอองบนพอไปตรึกพิจารณาเย็นโอ้โหมันสลดใจเลยนี่มันอยู่ในที่มืดใช่ไหมมันโผลข่ขึ้นมาแล้วก็คานดึ๊บดึบขึ้นมาเป็นแถวเลยนึกเนี่ยเห็นไหมพอเห็นอย่างนี้แล้วอะไรเกิดอาทีนาวะเกิด เกิดสลดใจแล้วโอ้เนี่ยแล้วเราพ้นนี่ยังไงอย่เราพ้นนีอยังเคยบ้างมไหมเข้าห้องน้ําแล้วยินดีพอใจในห้องน้ําถ้ายินดีพอใจอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมเราก็สร้างฉันทราคะคือความพ่อคูยินดีในที่ตรงนั้นแล้วถ้าจะตายแล้วนึกถึงตรงนั้นแล้วควรจะเป็นอะไรทํามเขาใช้จิตอะไรตกแต่งเลือกโอกาส ก็อยู่ที่ว่าจะน้อมอยู่แล้วก็ต้องดูว่าสัตว์ที่อยู่ในห้องน้ํามีอะไรบ้างเนยก็ดูกลุ่มนั้นก็แล้วกันนะสัตว์ที่เกาะอยู่ตามบ้านตามข้างฝานะี่ยอะไรมีมากก็ดูตรงนั้นนะทํำไมมากขนาดนั้นน่าเชื่อไว้ทําไมถึงมากขนาดนั้นก็สัตว์ที่ยังชื่นชมยินดีพบมันเยอะเบียแปลกถ้าเราจะตายแล้วไปเกิดเป็นจิงจกเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกปกติปกติฮะ สำหรับคนมีกิเลสทั้งหลายโลดทีพลาดไปแล้วรักมากนะกุดหลังเนี้ยมาซะเลยจะมาอีกทีอยู่อีกฐานหน้หนึ่งนะ <c oughs> วิ่งห่วงไปห่วงมาพราอเขาจะหยิบคอก็วิ่งขาสั่นอยู่ข้างบนเนี่ยเนนะื้อยือดรุยมากนะน่ากลัวไมนะ้มล่ะว่าตาเป็นอย่างนี้หาที่หมายได้ไงที่หนูกลับมาใหม่จะไปไปตรงไหนเนะี่ยฮะ กลับมาใหม่จะไปตรงนั้นที่ตรงนั้นใช่ไหมนี่ทำไมาอยู่ตรงกุดนั้นตายปุ๊บไปอยู่ที่กุดนั้นน่ะควรจะเป็นอะไรเนี่ยตรงกุดนะาไปเป็นทันทีเนะี่ยควรจะเป็นอะไรไ ม, ไ ม, มีคนมีคนคนหนึ่งก็บอกว่าบอกว่านี่ยทําไมไม่ชื่นชมตื่นขึ้นมาคุณต้องชื่นชมสนามหญ้าทุกวันสิท่านจะให้ผมเกิดเป็นเขียดหรือไงไเต็นแน่จริงนะ โอ้โจริงๆชอบชื่นชมสนามหญ้ามากไปกระโดดทุกวันเลยหาที่หมายได้ยังชีวิตตะสมาส่าสีสีเนี่ยนะนะคำว่าชีวิตหมายถึงความเป็นอยู่องค์ธรรมก็จะแก่ชีวิตตรูปแล้วก็ชีวิตตินสีเจตสิกใช่ไหมคำว่าชีวิตคำนั้นสมานะั้นแปลว่าอะไรนะแปลว่าเสมอไม่ใช่คำว่าสมังอนะ่ะโดยเสมอนั่นเอง ศีษาก็แปลว่าหัวยอดหรือหัวข้อศีสากล้องเรานี่เลยนะตรงตัวศีรษะคํานั้นเป็นสอสอเสือสลีสองตัวเนี่ยสองสอเสือสลีแล้วก็สอเสืออีกตัวเนี่ยสีสีศีรษะตัวนั้นี่ะสีสีก็แปลว่าศีสามือนกันชีวิตตาสมะสีสีก็แปลว่าเป็นชื่อของบุคคลและวิถีจิตนะวิถีจิตของบุคคลผู้มีศีรษะเสมอชีวิตมีศีสากเสมอกันกับชีวิต แพูดอย่างนี้ความหมายไม่ได้ใช่ไหมถ้าว่าอีกคำก็คือตายพร้อมกับกิเลสหมดเนะ่ยตายพร้อมกับหมดกิเลสเนะี่ยอย่างนั้นเครียกชีวิตะสมาสีสีกล่าวโดยโวหารของชาวโลกที่ใช้พูดกันโดยสภาวะแล้วก็กิเลสนั้นต้องหมดก่อนไหมโดยสภาวะโดยสภาวะแล้วกิเลสต้องหมดก่อนทีนี้พอกิเลสหมดแล้วต่อมาก็มาตายนั่นแหละตรงนั้นเรียกว่าชีวิ ต, ตอะสมาสีสี อาการเกิดขึ้นในปริญญาภานของชีวิตตัสมาศีสีเป็นการปริญญาภานจุดติจิตของพระอรหันต์ที่เกิดที่เกิดขึ้นต่อจากการพิจารณาเลยพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพานกิเลสที่ประหารได้หมดแล้วโดยไม่มีวิถีจิตอื่นมาขั้นก็ตายวะเนี่น ย, ยใช่อุ้ยพิจารณาหมดสีคือท่านพิจารณาหมดเนะ มากผลนิพพานกิเลส ท, ที่หมดแล้วอยู่ที่ท่านว่าท่านเป็นกลุ่มไหนถ้าหากในกลุ่มที่ท่านไม่ได้ปริยาตมาเป็นอย่างดีกิเลสนี่ท่านไม่ได้พิจารณาปัจเจเวขณะวิถีไม่ใช่เกิดวิถีเดียวนี่ไม่ได้เกิดวิถีเดียวนะ อ๋อถ้าในมราณาสันนิชยนะก็ต้องมาจับอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นถูกต้องถูกต้องเลยอันนั้นถูกทีนี้ดูคําว่าศีรษะสองอย่างใช่ไหมตรงนี้ก่อนนะศีรษะสองอย่างเนี่ยมีวัตตาศาีรษะกับคําว่ากิเลศศีรษะเดียวทำความเข้าใจตรงนี้หน่อยนะศีรษะหรือส่วนสําคัญของวัตตานะ่ะตัววัตตาได้แก่ขันห้าวัตตาศีรษะเนี่ยได้แก่ขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นวัตตะสีศากิเลตกรรมและวิบากเนี่ยนะทีนี้สีศาของวัตตะได้แก่อะไรชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตตินรีเจตสิกเนี่ยเป็นสีศาของวัตตะทำไมจึงเรียกว่าเป็นสีเอเป็นสีตะอีาของวัตตะหรือเปล่าเพราะตราบใดยังมีชีวิตรูปต่อไปยังมีขนาดใดยังมีชีวิตนามเป็นไปอยู่ วัฏฏะมันไม่ขาดมันสืบต่อนี้แหละเขาเรียกตัววัฏฏะศีสะนี่เป็นศีสะของวัฏฏะโอดูน่ากลัวกันนะถ้าตราบใดยังมีชีวิตรูปมีชีวิตตินรีย์อยู่ทํำยังไงจะให้ขาดได้มีกลุ่มบางคนบอกเกิดมาฆ่าอย่างเดียวฆ่าตัวตายอย่างเดียวฆ่าตัวตายอย่างเดียวไม่ขาดใช่ไหมมันสืบต่อเรื่อยโอ้ยิ่งบาปยิ่งทุกข์ใหญ่ และในที่สุดจริงๆไม่ต้องไปฆ่าเองคนอื่นจัดการให้แต่คือฆ่าอยู่นั่นแหละนี่ในตรงนี้เขาเรียกวัตตาศีรษะถ้าเขาถามว่าอะไรคือเป็นวัตตาศีรษะก็บอกชีวิตตะโรบกับชีวิตตินซีเจตสิกนั่นแหละเป็นวัตตศีศรษะพอพูดถึงอย่างนี้แล้วหลายๆคนนึงบอกว่าวัตตาศีรษะชีวิตตินซีเจตสิกชีวิตตะโรบจึงเป็นหัวของวัตตทุก์เนี่ยถามว่าพิจารณาอย่างนี้ก็บอกอ แล้วจะทำยังไงชีวิตตินรีเจสิกชีวิตจะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนะั้นะนะเนะถ้ายังมีอยู่ตราบใดเนะี่ยตราบนั้นสัตว์ทั้งปวงก็ยังไม่เรียกว่าตายเราจะไปหาว่าเราตายเนอะเราบอกให้คนนั้นตายคนนี้ตายเนะี่ยตายแบบสมมุติหรือตายแบบจริงๆอนะ่ะตายแบบสมมุติเพียงเปลี่ยนพบเปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นแหละที่จริงไม่ได้ตายนะเพราะเรายังมีไอ้ตัวศีรษะว่าตศีรษะอยู่ มันก็ต้องไปรักษารูปใหม่ไอ้ตัวตัวชีวิตรูปก็รักษารูปใหม่ไอ้ตัวชีวิตนามก็รักษากลุ่มของนามที่มันจะต้องสืบต่อใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีใครฆ่าเราได้ถ้าพูดกันโดยโดยหลักของความเป็นจริงใช่ไหมยมตุยอา้ามีใครฆ่ายมตุยชาตินี้ตูมเนี่ยยมตุยก็ไปไปเกิดใหม่มันเหมือนอย่างนี้มะม่วงเม็ดเนี้ยก็มันยังมันยังมียางเหนียวอยู่เนี่ยได้เหตุปัจจัยขึ้น ได้เหตุปัจจัยขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ไปเรื่อยๆอย่เงี้ยไม่ตายเป็นไม่สูญพันธ์น่ยมะง่วงเนี่ยเนี่ยที่นั่งกันอยู่ยังเป็นกลุ่มสัตว์ที่ไม่ผืไม่สูญพันธ์ดังนั้นนะง่ายต่อการที่จะงอกจะปฏิสนธิกันหมดเลยที่นั่งอยู่เนี่ยได้ยินคําว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้คำคำนี้ฟังให้ดีนี่ตัวนี้ทาว่าธรรมดาในที่นั้นะแปลว่ามันงอกะมันน้อมที่จะงอกได้ทุกที่อะ น้อมที่จะเอาปฏิสนทิไปฝากไว้ในได้ทุกๆุกที่ด้วยเชื่อไม้พัดลมที่หมุนเนะ่ยยังสามารถเป็นที่ปฏิสนธิของสัตว์ได้บางทีนิดเดียวตรงนั้นนะ่ะไอมแมลงมุมมันมาทํารังนิดเดียวลูกเต็มหมดเลยเอยู่ยตรงนั้นอยู่ยใกล้ๆที่หมุนนะจริงไหมจริงมันทุกแห่งทุกขค น, ท, ขนทุกแห่งเลยขนาดบนไม้อ่ะนะบนตอไม้เล็กๆมันก็นยังมีสัตว์ ขนาดนั้นนะถ้าเราเห็นพวกไอ้ต้นไม้บางชนิดเนี่ยมเมล็ดพืชบางชนิดเนี่ยโอ้โหมันไปขึ้นได้ทุกที่นะบนยอดเจดียก็ขึ้นมันปลิวไปที่ไหนขึ้นได้หมดปฏิสนที่นางอกเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นน้อมพิจารณาดีเลยเนี่ยสวยจังเรืออะไรก็แล้วแต่เอียยินดีนะั้นานๆลงมาปากักดูไต็มหมดเนี่ย นั่นเล <P ere ll ement> เพราะศาีรษะนี่ไม่ขาดมองเห็นไหมว่าศาีรษะไอชีวิตตะรุกกับชีวิตตะนามอย่างเดียวนเนี่ยสู้จะไม่ใช่ตัวปัญหามากเท่ากับกิเล ส, สศีรษะไอกิเล ส, สศีรษะนี่อวิชาคือโมหะเนะตัวนี้นี่สีโอโหเป็นเครื่องกลางกั้นเลยที่จริงท่านในปฏิจจสุบาร์ท่านเรียกกเย็เป็นศีรษะเลยเป็นศีรษะเลยตัววิชากนกลางกัน ฉันนึกบอกอย่างนี้บอกว่าในบรรดาศารีรษะทั้งสองอย่างนั้นชีวิตอินเสจีสิทธิ์ชีวิตรูปเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างมีอยู่ตราบใดเนี่ยตราบนั้นสัตว์ทั้งปวงก็ยังไม่เรียกว่าตายแต่ว่าเราเนะี่ยไม่ตายนะอย่าร้องไห้เลยถ้าจะตายอะ่ะบอกงั้นใช่ไหมแจ๊หน่าร้องไห้ไหมถ้ามีใครตายสักคนเนี่ยไม่น่าร้องหรอคิดว่าจะร้องไหมไม่น่าร้อง <S <S ถ้าร้องมันก็ต้องอย่างนี้ด้วยคืออ <wi> ย่างนี้บอกเออเดี now, days, right? ๋ยวจะไปธุร <cryptocurrencies> like ัสสักเจ็ด <orn> ว <spe> ันนะก็ต้องร้องนั่นนะถ้างั้นเน่ยมันจากเหมือนกันเน่ยใช่ไหมการตายก็เป็นการจากแบบนั้นเนยจากเขาไปทํากิจของเขาต่อก็แปดนั้นตากอย่างนี้เนไงยยมสรีถ้าจะตายสมมุติบอกทางบ้านก็เลยเนี่ยบอกเออเนี่ยถามทําไมถึงแก่นะ่นเราทีมีคนร้องโฮโฮโฮก็บอกเขาไงรู้ไหมบอกว่า วิ่งมาลองแล้วทําไมบอกว่าเนี่ย อ, อย่ามาลองที่เดี๋ยวถ้างั้นฉันก็กลับไปอยู่แถวนี้แต่ถ้าฉันมาใหม่เนี่ยพวกเองจะให้ฉันอยู่ในฐานะอะไรก็ถามให้มาเป็นอะไรที่จะมามพูดเป็นในในใช่ไหมมานในที่จริงก็บอกว่าจะไปทํากิจของเราต่อไปคือว่าตามันไม่สิ้นสุดนะเราก็จะต้องไปดิ้นรนต่อ จะต้องไปดิน้นรนต่อไปท่านยียันตรึกอย่างนั้นนะบอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตายนะพอ้เงินไม่ได้ตายหรอกเพราะมันตายได้ยังไงแล้ววัฏฏศีสากยังไม่ขาดกิเลสศีรษาก็ยังไม่ขาดมันไม่ขาดถาวรเนี่ยฉะนั้นวัตฏศีษากิเลสศีรษะทั้งสองอย่างมันยังเป็นไปอยู่เห็นไหมกิเลสและีสากทั้งหลายนั้นก็ยังมีโมห oh ะเจตสิกอยู่เพียงใดก็ได้ชื่อว่ากิเลสเหล่านั้นยังไม่สูญสิ้นอยู่เพียงนั้นนะ แต่ไม่ใช่เป็นแบบไม่เที่ยงนะแต่เมื่อว่าโมฮาเจสติกดับศูนย์สิ้นไปแล้วหรือมีการเกิดอีกต่อไปเนี่ยนะถ้าไม่มีการเกิดอีกต่อไปกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดับศูนย์ไปด้วยฉะนั้นนะ่ยโมหาเจตสิกจึงชื่อว่ากิเลสศีรษะนี่เป็นอย่างนี้เออดูตรงนี้ด้วยนะว่ากิเลสศีรษะเนี่คือศีรษะที่สําคัญของกิเลสกิเลสมีสิบใช่ไหมโลภะโทสะ โมหะไอตัวโมหะเนี่ยเป็น ต, ตัวสำคัญส่วนมานะทิฏฐิวิกจิกิช า, าหิริกะอนโนตปะอุทธะกลุ่มเหล่านี้ไม่ใช่หัวส่วนหัวคือโมหะหรืออวิชานี่ในบรรดากิเลสสิบนะหัวของกิเลสกิเลสศีรษะนี่หัวเขาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีอวิชชาสัอย่างเดียวละอย่างอื่นเกลี้ยงเลยนะเกลี้ยงเลยเกลี้ยงคือไม่มี ก็แปลขนาดโมหะหายเกลี้ยงแล้วเนี่ยอย่างอื่นอยู่ไม่ไหวแล้วไม่มีรูปพี่คุ้มครองอยู่ไม่ไหวนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นชีวิตตาสมาสีสีบุคคลวิถีจิตจึงชื่อว่าสมิสมาตาชีวิตตาสมาสีสีหั ว, วคือวิชาที่ดับลงพร้อมกับชีวิตตินซีเจสิกชีวิตตรูปมีอยู่แก่บุคคลใดฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าชีวิตสมาสีสี มาจากคาว่าชีวิตเอนะสมังอวิชาสีสังอัสสาติชีวิตตาสมัศ ส, สีสีมาจากศัพท์นั้นน่ะในหลักนี้ท่านว่าดีท่านบอกว่าสมัศ ส, สีสีภยะบุคคลผู้สําเร็จพร้อมด้วยกันกับเหตุสามอย่างอิริยาบทสมัศ ส, สีสีนั้นอย่างหนึ่งรู้จักอียาบทสมัศ ส, สีสีไหมรู้จกักไหมหมายความว่าภัยยะสํ า, าสเร็จพร้อมด้วยกับอียาบทบางทีก็อยู่ในอียาบท ยืนเดินนั่งและนอนเนี่ยสําเร็จเนี่ยนั้นกลุ่มหนึ่งส่วนโรคคาสมาสีสีภารยาบุคคลผู้สําเร็จพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บนี่โรคคาสมาสีสีแล้วก็ส่วนชีวิตตาสมาสีสีภรารยะผู้สําเร็จพร้อมด้วยกับชีวิตอัตยกตัวอย่างมีหลายกลุ่มได้ชีวิตเนี่ยนะี่ดูอย่างนี้ถ้าโรคก็มีชีวิตก็มีเดี๋ยวอายกยกชีวิตก่อนยกชีวิตก็คือ ในกลุ่มที่ภิกษุสามสิบรูปในสติปัฏฐานสูตรที่ยกมากล่าวในลักษณะการไปปฏิบัติใช่ไหมสิบห้าวันนันมาเจอกันทีลงอุโบสถทีนี้พอสิบห้าวันมาเจอกันหายไปส่วนมากเลยก็เอ๊สงสัยพ ย, ย, พ ย, ยันภัยอันตรายจะเกิดขึ้นแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติด้วยกันว่าพระพระที่ท่านอธิษฐานกันเนี่ยนะ ท่านกลัวจะรบกวนกันนะขนาดเสือมากินเนี่ยท่านไม่ร้องให้พระอีกรูปหนึ่งช่วยนีย่เอาเรื่องนะอย่างพวกเราอยู่กันกนละที่คนละที่ไม่ต้องถึงขนาดเสือหรอกงูวิ่งผ่านแค่ น, นี้ยร้องให้คนเดินช่วยไหมเอาชิปเอาเป็นชี้หนูเนี่ยงูวิ่งขึ้นกดมีไหมจะบอกคนอื่นไหมวิ่งไปนอนอยู่บนกดเนี่ยเราเข้ากดก็ไม่ได้ยังจะต้องบอกคนอื่นไหมยังไหมเอาไม่ต้องถึงตายเอาไหม่นะไม่ต้องกัดหรอกไอากาดเนะี่ยบอกรีบวิ่งบอก อย่างเร็วเลยกลัวนี่ยังไงดูใจใจพวกเราสิใช่ไหมต่างกันหนึงอันนี้เสือนอะเสือกัดท่านปุ๊บที่ต่อมาท่านบอกให้ช่วยกันไงที่อยู่ต่อมาก็เสือแต่คบท่านก็ลากท่านขึ้นบนพอลากท่านขึ้นไปก็พระก็จุดคบเพลิงก็วิ่งตามเห็นอยู่บนนู้นนะก็เตือนสติท่านกําหนดได้นะ กลุ่มชีวิตตัสมารสีพอเสือกัดที่ขาโสดาบันโสดาปฏิผลเกิดขึ้นกับท่านเลยเลื่อนขึ้นมาตา ม, ามาลำดับสกัดทาคามิผลเลื่อนขึ้นมาอนาคามีผลพอจะถึงหัวใจาก็อรหัตผลอรหัตมากเกิดกลุ่มนี้คือชีวิตตัสมาสีสีกิเลสหมดแล้วนิพพานเลยเห็นไหมเนี่ยนิพพานด้วยแล้วกิเลสหมดด้วย ถ้ายังกลุ่มหลายหลายคนในย่า ก, ากอาจะกลุ่มเนี้ใช่ไหมกลุ่มฆ่าตัวตายแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันนี่ใช่ไหมใช่ชีวิตตัดสมาสีสีไหมพระฉันน่าที่ป่วยอ่ะท่านก็พิจารณาพระธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างดีนะพิจารณาแล้วพิจารณาอีกท่านก็เห็นท่านก็เบื่อน า, นายก็อะไรต่างๆเหล่านี้ยนี่ท่านมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยในกลุ่มเพราะต่อมาเนี่ยท่านน้อม พอหลังจากพระบรมศาสดามามาให้สติแล้วกลับไปใช้มีดโกนเชือดคอตัวเองบิดขาเตียมแต่ได้เป็นพระอาจารได้ตรงที่ว่ามีดโกนหลังจากทุกขเวทนาเกิดขึ้นท่านกำหนดใครอย่าไปทำก็นะอย่างเราเราตายฟรีโอกาสตายฟรยีสูงมากใช่ไอบรมยังไม่ถึงมีเป็นอย่างนี้ คือถ้าหากอิริยาบถสมาสีสีเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าบําเพ็ญวิปัสนาบำเพ็ญสมถะหรือวิปัสนาบรรลุปเป็นพระอรหันตก็เดินปรินิพานยืนปรินิพา น, นเนี่ยนีหรือยืนพิจารณาวิปัสนาเบ็ดเสร็จได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ยืนนั่นแหละปรินิพานเรียกว่าอิริยาบถสมาสีสีขาหนนเนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในระหว่างอิริยาบถ ท, ทั้งสี่อย่างนั้นก็เป็นอิริยาบถสมาสีสีเลย ส่วนในกลุ่มหนึ่งท่านผู้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่อมาก็เจริญสมถะวิปัสนาในระหว่างที่อาพาธจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นนิพพานด้วยโรคนั้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกโรคะสมาสีสีภาพปูติตักคาติสาเทระเนี่ยอันนี้ก็คือโรคภัยไข้เจ็บเกิดกับท่านนะโอ้โหยากนะเรื่องพิจารณาโรคภัยไข้เจ็บแล้วจะให้ได้บรรลุได้เนี่ย คิดว่าทำได้ง่ายไหมคนที่มีโรคภยครัยไข้เจ็บทำได้ง่ายหรือยากยากในกลุ่มนี้ทำได้ยากลักษณะนี้คือโรคาสมาสีสีส่วนในกลุ่มที่สามเนี่ยชีวิตตาสมาสีสีเนี่ยนะภาะหันนั้นนะ่ะฆ่าอาวิชาสามารถที่จะทำลายอาวิชาจะได้จุดตด・จิตก็เกิดขึ้นตัดชีวิตน่นะลักษณะอย่างนี้เรียกชีวิตตาสมาสีสี ปัณิพานพร้อมจุติจิตเนี่นะเออไม่ใช่คือชีวิตก็ดับจุติจิตก็ดับลักษณะอย่างนี้เน ด, ดููดูวิถีประกอบทีนี้ถ้าดูเกี่ยวในเรื่องของอารมณ์เดี๋ยวตามไปดูอารมณ์หน่อยฌานสำรันตระวิถีปัจเจเวสสำรันตระวิถีทั้งสองประเภทนี้เกิดในภูมิไหนเกิดในภูมิไหน เกิดในภูมิ26การมสุคติภูมิ7รูปภูมิ15บห้เวนสัญญาและรูปภูมิส่วนอภิญญาสมณ์ตรวิถีเกิดได้กี่ภูมิได้ยีิบสองภูมิการมสุคติภูมิ7แล้วก็รูปภูมิ15บห้เวนสัญญานะชีวิตตาสมณิสีเกิดในภูมิไหนเกิดในการมสุคติภูมิ7อภิญญาสมณ์ตรวิถีเกิดไม่ได้ในอรูปภูมิเพราะอะไร เพราะอารมณ์ระมนั้นไม่มีการทำรูปปัญจมะฌานที่จะเป็นบาตรฐานในการที่จะทำปิญญาได้ก็ตอบเข้าไปอย่างนั้นนะคือในการจะเข้าวิญญาแปลว่าจะต้องเข้ารูปรูปประฌานทีนี้อารมณ์ระมหมดสิทธิ์ในการที่จะเข้ารูปประฌานแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะทำได้ส่วนชีวิตตั้งสมา ส, สีไม่เกิดในรูปประภูมิรู ป, ปรภูมิเพราะพรมทั้งหลายไม่มีการตายโดยอาศัยทุกขเวทางนาทางกายและ ทุกทางใจถ้าเลือกเจตสิก ก, ก, ก, ก็ทุกกายยิกระทุกทุกกายกับเจตสิกทุกคือทุกใจถ้าไม่มีเรามีครบทั้งกายยิกกระทุกทั้งเจตสิกทุกภพิญญาสำนัลตระยังไงยกตัวอย่างเช่นดิไหนหน้าไหนหน้าสี่สิบของภพิญญาสำ น, นัลตะระใช่ไหม อารมณ์กรัชากายมีอาการสามสิบสองประกอบสําเร็จเป็นอวัยวะน้อยใหญ่อันเป็นกิริยานิมิตเป็นอารมณ์ในเรื่องของอภินญาสำนัลตระนะเจะในเรื่องของอารมณ์เดี๋ยวไล่ไปตามลําดับนะไล่ตามลําดับก่อนอธิบายเรื่องอารมณ์ก่อนนะอารมณ์ของปรินิพานวิถีพิเศษก่อนเลยนะพูดรวมๆก่อนนะทั้งสวิถีเนะี่ยทั้ง อภิญญาอชาญสำนันตะวิถีปัจเจกสำนันตะวิถีอภิญยาสำนันตะวิถีและชีวิ ต, ตะสมาสีสีวิถีเนี่ยนะสีวิถีเป็นวิถีพิเศษเนี่ยเนี่ยนะอารมณ์ของวิถีทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ใช่กรรมอารมณ์กรรมนิมิตรอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์เข้าใจคํานี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าการกระทําของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้สําเร็จเป็น กุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเพียงสักด์แต่ว่าทําไปตามวิสัยธรรมดาอะไรของกายใจที่ยังเป็นอยู่ในโลกเท่านั้นการกระทําของพระอรหันต์มีผลไหมไม่ต้องไปรับผลของกรรมดีกรรมชั่วอีกต่อไปเอาถามว่าเออพระอรหันต์ทำดีไหมล่ะทาดีไหมทําดีเรียกว่ากุศลกรรมหรือเปล่าเรียกว่ากุศลกรรมไหม ในขณะที่ทําดีพระหลานเรียกท่านไม่เรียกว่าไม่เรีย ก, ไ, กยไม่เรียกว่ากุศลกรรมรองนะเป็นกิริยาไงเป็นแต่เพียงกิ ร, ยริยามิได้ได้ผลต่อไปในภพหน้าท่านจึงเรียกว่ากิริยากิริยาสําหรับเรื่องภพชาติที่จะมีต่อไปข้างหน้านั้นเป็นเรื่องของกุศลกรรมกุศลกรรมเนะื้อไม่ใช่เป็นเรื่องของกิริยาเพราะกิริยานั้นไม่ได้สร้างปัใจจัยให้ได้ Blue พบต่อไปทีนี้ท่านที่ไม่มีกุศลกรรมอกุศลกรรมแล้วกรรมอารมณ์จึงไม่มีตัวที่จะปรากฏเมื่อกรรมอารมไม่มีตัวจะปรากฏแล้วอารมณ์ต่างๆที่ประกอบในการกระทําทางกายวาจาใจของท่านนั้นเน่ยที่เรียกว่ากรรมมนิมิตรอารมณ์เป็นต้นนั้นก็ไม่มีประจําตัวจะปรากฏเพราะว่าอารมณ์ต่างๆที่ประกอบในการกระทาของพระอรหันต์นั้นเน่ไม่ใช่เป็นกรรมารมกรรมมิมิตอารมณ์แต่เป็นอะไร เป็นกิริยานิมิตส่วนคตินิมิตนั้นเป็นอารมณ์ที่จะต้องไปพบเห็นเสวยในชาติหน้าใช่ไหมถ้าหาันมีชาติหน้าไหม mm hmm. ฉะนั้นคตินิมิตไม่ต้องพูดถึงคตินิมิตจึงไม่ปรากฏถามเมื่อเป็นเช่นเนี้ยในหลักเขาบอกถ้าจะถามบอกว่าถ้านิมิตทั้งสามอย่างนี้ mm hmm. อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ปรากฏในเวลาใกล้จะตายแล้วเนี่ยตอนที่ท่านจะบริณีพานแล้วเนี่ยจิตของพระละหันทั้งหลายเนี่ย ไม่มีอารมณ์อย่างนั้นใช่ไหมมีอารมณ์หรือไม่มีรับอารมณ์หรือไม่รับรู้อารมณ์หรือไม่รู้มีมีอารมณ์หกนั่นแหละต้องบอกว่ า, างมีอารมณ์หกนั่นแหละมีรูปบางเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ใช่ไ้ยโดยสรุปคือรูปนามไหมที่ท่านมีความใส่ใจหรือมานาจการอยู่เสมอเสมออันเป็นกิริยานิมิตนั่นแหละเป็นอารมณ์ของท่านเห็นไห ท่านใส่ใจอะไรอ่นะท่านใส่ใจอะไรทีนี้ถ้าหากเป็นสุขะวิปัสสกาพระอรหันต์แล้วก็ชาลาทีพระอรหันต์แต่ไม่ได้เข้าฌานในเวลาที่จะปรินิพานเนี่ยย้มตัวพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ในขณะที่ท่านจะปรินิพานเนี่ยก่อนปรินิพานก่อนหน้านั้นเน่ยจะไปบอกว่ามี กรรมาอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์มาปรากฏก็ไม่ได้เพราะท่านไม่มีพริ์พระชาติต่อไปแล้วเนี่ยแล้วอารมณ์จะมีไหมท่านจะรับอารมณ์ไหมในก่อนจะก่อนที่จุติจิตท่านจะเกิดท่านจะรับอารมณ์ไหมก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยอท่านจะท่านจะรับอารมณ์ไหมพยายามรับไม่รับรับอะไรจริงๆต้องบอกว่าท่านรับอารมณ์ได้หกอยู่ที่ท่านจะมณสิกาหรือใส่ใจอารมณ์อะไร<ม>ใช่ไหม เพราะอารมณ์ที่ท่านชำนาญเสมอเสมอเคยใส่ใจเสมอเสมอนั่นคืออะไรถ้าเป็นสุขาวิปัสสกาพาระลรหารหรือชาลาพีบุคคลพระลรหารเนี่ยนะถ้าท่านไม่ได้เข้าฌานในเวลาที่ท่านจเจริญวิปั้นเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ได้เข้าฌานในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษากันมาเนี่ยกลุ่มนั้นน่ะจะมีอารมณ์หกที่เป็นรูปนามบัญญตัติที่ท่านมีความใส่ใจเป็นพิเศษเป็นเสมอเป็นอารมณ์ในมรณาสันานาเวนะของท่านจะต้องบอกอย่างนั้น ก็มีนะให้สังเกตโดยเนะื้อผ้าอาหารบางท่านได้ฌานแต่เวลาท่านจะนิพพานท่านไม่น้อมที่จะเข้าฌานก็ได้ใช่ไหมยะบางคนแปลกๆดีนะยังเอาแค่คนธรรมดาเนีย่ยมีบ้านหลังอย่างใหญ่โตเนะี่ยไม่อยากไปตายในบ้านนะมาปลูกบ้านหลังเล็กๆตายยังมีเลยอะ่ะใช่ไหมยะก็เป็นเรื่องที่ท่านจะใส่ใจหรือมนุษย์การอะไรก็ไว้เรื่องอคนแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันแล้ว แต่บางคนร้างบ้านไว้เพื่อเป็นที่ตายเนะยแต่ไม่ได้ตายแล้วป่วยก่อนเขาออกไปข้างนอกเลยไปตายกลางทางก็เยอะเนี่แต่จริงๆก็คืออย่างนี้แต่ถ้าเป็นพาาาระอรหันต์ท่านไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะนะทีนี้ถ้าหากเป็นฌานลาภีอรหันตแต่บุคคลที่ปฏิิพานเนี่ยนะหลังจากฌานสมาบัตเข้าฌานสมาบัตของฌานนั้นแล้วก็จะมีพวกกสินบั้งอานาปณ ะ, ะหรือสัตว์ว่าัญญัติเป็นต้นแหละ เป็นอารมณ์ของมรณาสันนาเวนะและมรณาสันนาชฉวนะก็ได้แก่ฌานนจิตของท่านนั่นเองเป็นอะไรถ้าถามกลุ่มของฌานสำนัลตะวิถีเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มเนี่ยเนี้ยอะไรคือมรณาสันนาชฉวนะของท่านอะไรเอาลองดูอย่างเงี้ยฌานสำนัลตะวิถีไหนต้องดูที่มรณาสันนาเวนะของท่านอยู่ตรงไหนดูที่มาเปิดดูที่นั่นแหละวิถีที่เข้าฌานนั่นแหละเป็น มรณาสันนชวนะของท่านฉะนั้นมรณาสันนถ้าเป็นพิเศษแล้วนเนี่ยเห er. ็นไหมให้สังเกตดูไหมมรณาสันนวาธิของท่านคือกลุ่มพวกนี้นะท่านในอภิญญาก็คืออภิญญานะกลุ่มอภิญญาวิถีเนวิถีนั้นเป็นมรณาสันนวิถีด้วยใช่ไหมเป็นอภิญญาสำนัลตราด้วยเห็นไหมให้สังเกตดูนั่นแหละคือคือคือวิถีคือชวนะที่เป็นมรณาสันนธ ถ้าปริยนิพพานหลังจากปัจเจกขณะวิถีมีการพิจารณาองค์ชานแล้วเนี่ยคือพิจารณาองชานห้านี่ยพิจารณาวิตกวิจารปิติเวทนาเอกคตาเป็นต้นเนี่ยนะองชานห้าองชานสี่องชานสามสอ ง, 4, อ, ง 3, 2, อะไรก็แล้วแต่เนี่ยการพิจารณาเป็นอารมณ์แล้วนีของมรณาสันาานาเนะมรณาสันาานาเนะก็ได้แก่อะไรปัจเจกขณะเฉลนะจิตที่เป็นมหากริยาชฉนะนั่นแหละ คือเข้าฌานแล้วไม่ใช่ฌานเป็นมรณาสันนธาใช่ไหมไอตัวมราณาสันนธะากลายเป็นปัจเจเวกขณะมราณาสันนธะเป็นทั้งมราณาสันนวิถีด้วยมองเห็นไว้ตัวเนี้ยเออลองดูวิถีทีดูปัจเจเวกดูหน้าสี่สิบดูปัจเจเวกขณะสำรันตระวิถีเนี่ยไอตัวปัจเจเวกขณะสำรันตระวิถีตัวตัวนี้แหละวิถีวิถีเนี่ยเป็นมราณาสันนวิถีด้วยเป็นปัจเจเวกขณะวิถีด้วย ถ้าจะถามว่าวิถีนี้เขาไปพิจารณาอะไรอะไรเนี่ยพิจารณาองค์ฌานวิตกบ้างวิจารณ์บ้างปีติบ้างเวทนาบ้างเอกคาตาบ้างเนี่ยเขาพิจารณากลุ่มเหล่านี้พิจารณากลุ่มนี้นี่เป็นอย่างนี้นะส่วนถ้าปรินิพานหลังจากอภิญยาวิถีทําอิทธิฤทธิแล้วเนี่ยกรัชกายมีอาการสามสิบสองที่ประกอบไปด้วยอ ว, วัยวะน้อยใหญ่ตรงเนี้ย ตอนนี้ยอมสิรีสงสัยว่าการัชกายประกอบไปด้วยน้อยใหญ่เนี่ยเป็นอารมณ์ของวรนาสันะชาวนะเนี่ยถามว่าท่านตรึกอะไรก่อนที่อภิญญาจะเกิดขึ้นน่ท่านน้อมกายของท่านให้เป็นอะไรใช่อย่างยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านั้นท่านตรึกพิจารนาว่าต้องการให้กายของท่านแบ่งออกใช่เป็นสอง สอ ง, สอ ง, ส, องสองเสี่ยงผ่าขึ้นท่านก็น้อมถึงกราชกายของตนเองนั้นให้แบ่งออกนั่นเลยเห็นไหมอารมณ์ของท่านก็คือกราชกายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นอิริยาบถน้อยอิริยาบถใหญ่ของท่านว่าท่านเจปรินิพานในอิริยาบถไหนเช่นท่านจะปรินิพานในอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนอิริยาบถเดินอิริยาบถในการ ลอยไอยู่บรอากาศตรงนั้นเป็นอารมณ์ท่านก่อนตายไหมนั่นแหละเป็นอารมณ์ท่านก่อนตายเพราะพัญญาของท่านก็มีวัตถุประสงค์ตรงนั้นเป็นอารมณ์นี่เป็นอย่างนี้อ๋ออิทธิวิทยาก็กลุ่มในเรื่องการแสดงอิทธิฤทธิ์แสดงฤทธิ์ต่างๆอิทธิวิธยานี่นะแสดงฤทธิ์ต่างๆแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ, งางๆมีมากมายแปลงกายอะ่ะ คือคือในลักษณะพิญญาเนี่ยนะในในกลุ่มของอภิญญาสมันตราเนี่ยเขาการว่าแสดงอิทธิวิธานี่มันมีเยอะไงฤทธิ์ต่างๆที่ท่านแสดงมีมากทั้งเหาะทั้งแปลงกายทั้งอะไรสรารพัดเนี่ยเยอะแยะหมดเละเรื่องฤทธิ์ที่ท่านจะแสดงน่ะดําดินบ้างอะไรบ้างอะยรต่างๆเลยใช่ใช่ใช่ ก็คือวัตถุประสงค์คือต้องการจะแปลงกายตัวเองให้เป็นอะไรถอดร่างกายออกอะไรต่างๆก็คือกลุ่มกรรชกายนี่แหละน้อยใหญ่นี่คืออภิญญาสมนตระส่วนชีวิตตาสมศีสีอรหันต์ก็คือผู้ที่ปฏินิพพานหลังจากปัจเจวคณะวิถีที่เกิดต่อจากอาราธรรมที่ดับลงแล้วนะ ก็พิจารณามรรคผลนิพพานกิเลสนะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นนะเป็นอารมณ์ของมรณาสันนาโฉนะในมรณาสันนาโฉนนะนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะมรรคบ้างผลบ้างนิพพานบ้างหรือกิเลสทิละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะในมรณาสันนาโฉนะวิถีเดียวก็จะต้องมีอารมณ์อย่างเดียวใช่ไหมจะไปยักย้ายทั้งสี่ห้าอารมณ์นะไม่ได้ มรณาสันนาชาวนะก็ได้แก่ปัจเจเวคขณะชาวนาที่เกิดเป็นมหากริยาชาวนานะอาศัยเหตุดังกล่าวอารมณ์ต่างๆจึงเรียกว่ากรรมมะอารมณ์กรมนิมิตอารมณ์นะหรือกตินิมิตอารมณ์เหล่านี้จึงอารมณ์เหล่านี้ไม่ปรากฏในมรณาสันนาชาวนาของพระาราหัตทั้งหลายไม่ปรากฏนะเออเอา้าว ได้ครับท่านได้อ๋อจริงจริงจริงจริงว่าท่านน้อมมาแล้วจริงไม่จริงท่านบอกว่าได้อารมณ์หกอารมณ์หกนะนนใช่บัญญัติด้วยบัญญัติด้วยคืออย่างนี้<ม>แค่อารมณ์หกนี่คุม้มหมดแล้ว ก็อยู่ที่ท่านจะมานาสิการหรือท่านใส่ใจอารมณ์อะไรเป็นเสมอเสมอเลยอารมณ์หกก็พอละมั้งใช่ไหมทำมารมนี่ได้เยอะอะไรเนี่ยสรุปน้อยตรงเนี้ย ใช่ต่างตรงนั้นดีกต่าง่ตางตงน ะ, ะงต่างตรงที่มีฌานเนี่ยนะ ใ, ในฌานในปัจเจกขณะสมรรตระนี่เขาไปพิองค์จนารณาองค์ฌานแต่ถ้าหากชีวิตตาสมาสีสีนี่พิจารณามรดุด้วยผลด้วยนิพพานด้วยกิเลสอย่างเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งเดียงค่ะจึงต่างกันเลยนะไม่ได้ไปสายฌานเลยเป็นโลกุตระไป สรุปมรณาสันวิถีนิดเอออะไรแล้วท่ในปรินิพานวิถีธรรมดาต่างกันวิถีธรรมะวิถีต่างกันปรินิพานวิถีธรรมดาไม่ได้ไม่ได้บรรลุเดี๋ยวนั้นแล้วบรรลุตายอนิพานเดี๋ยวนั้นถ้าปรินิพานธรรมดาเนี่ยโอ้โปรินิพานเมื่อไหร่ก็มีชีวิตอยู่มาอีกยาวนานก็ได้เออ ชีวิตต่าสมาสีสีต่างกันแไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่าปรินิพานธรรมดาท่านไม่ได้ไปพิจารณามากผลกิเลสที่ล่านท่านมีรูปนามธรรมดาแล้วก็เพราะว่าจริงจริงมันต่างกันตรงที่ว่าเหตุปัจจัยที่จะทําให้ชีวิตทั้งหมดเนือคนละเรื่องเหนือคนละเรื่องกันเลยนี่แหละเอาอย่างนี้ เอาเอาเหตุผลเหตุผลว่าท่านเพิ่งได้บรออ ร, บรลุอ่ะใช่ท่านจะเป็นน้องพิจารณาอะไรก็ได้แต่ว่าท่านบรรลุมันานแล้วแล้วท่านไม่ใช่กลุ่มท่านไม่ใช่ไปบรรลุกลุ่มจุจวนเจียนเนี่ยอย่างนี้จวนเจียนทั้งนั้นเนี่ยเตอร์เตอร์ที่อะไรนะเส้นยาแดงผ่าแปดเนนิยมพูดกันอย่างนี้นีแ่แปลว่าอะไรก็มันมั้งแปลโอ้โหจวนเจียนมาก ประเภทที่พอบรรลุแล้วตายเลยอะแต่ดีใจนะถ้าทําได้อย่างนั้นนะใช่ไหมมีชื่อเกียรติกล้องเป็นประวัติศ า, ศาสตร์เลยนะกลุ่มเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่มีชื่อโด่งดังเหมือนพระเทวทัตเป็นต้นพูดว่าพระเทวทัตอย่างนู้นอย่างนี้บางคนบางคนพ้นทุกข์ทีหลังพระเทวทัตใช่ไม้มอ้าวสรุปมรณาสันนิวิถีเนะี่ยหลังจากอเหตุกะและทะวีเหตุกะจุติจิต ดับลงแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดการปฏิสนธิได้สิบดวงแม่ตรงนี้ถ้าเรียนทําความเข้าใจอธิบายแบบเร็วๆนี้พวกเราจะตามทันไหมเนี่ยคืออย่างนี้อันนี้หมายถึงจุติจิตของปุรุชนนะถ้าอย่างนี้นะอันในกลุ่มข้อแรกเนี่ยถ้าบอกหลังจากอเหตุกาและก็ทวีเหตุกาจุติจิตอเหตุกาเนี่ยมีคือหลังจากอุเบกขาสันติระนะอกุศล ทำหน้าที่จุติสองดวงนะแล้วก็มหาบาคยาณนะวิปยุตสีดวงทาหน้าที่จุ ต, ติถ้าจุติจิต6ดวงเนี่ยปฏิสนธิควรจะมีต่อเท่าไหร่ท่านบอกสิ 10. ก็คือมหาบาค8แล้วก็อุเบคาสันตีรณะ2หลังจากตีเหตุกากากมติเหตุกานะมหาบาคยาณะสามปยุตตะจิต สดวงของปุตตชนดับลงแล้วก็เป็นปัจจัยให้ได้ปฏิสุธที่สิบเนะเวขาสองก็มาหายบาป8เหมือนกันถ้าหลังจากตีเหตุกะมหาวิบากย า, ายนสทมยุทธกิจสดวงของผ้าเรียบบุคคลเบื้องต่ําดับลงแล้วเบื้องต่ําคือใครบ้างโสดาบันสกาธาและนาคาเนี่ยเป็นปัจจัยให้กับตีเหตุกปะปฏิสุลที่สิบสดวงนะเกิดต่อได้ก็มีมหายวาทยาณนนทรยุทธใช่ไหมโรวิบาห้ใช่ไหม อารวิบากสี่ใช่ไหมใช่เอใช่สิบสามด้วยกันใช่ไหมถูกต้องนะพี่เออใช่ถูกต้องนะงงงงหลังจากอสัญญาสัตตารูปจุติจิตแล้วก็เป็นปัจจัยกับมหายบากแปดดวงนะปฏิทินที่มารองรับนะหลังจากรูปปุุชน ที่ในรูปประพรมสิบเว้นอสัญญาสัตตพรมและสุดทาวาสภูมิเนี่ยนะรูปจุติห้าดวงดับลงแล้วก็เป็นปัจจัยให้กับปฏิทนที่ได้ทั้งสิบเจ็ดวงนะสิบเจ็ดวงเวนะเ้นอะไรเนะเว้นอะไรเว้นะเหิยตุกาปฏิทินที่สองดวง <c oughs> หลังจากที่รูปจุติสี่ดวงนะเว้นปัญจมะชานิบาศหนึ่งของพระเดียบุคคลเบื้องต่ําดับลงแล้วเป็นปัจจัยเกิดมหาคตาปฏิทินที่ได้เก้าดวง ในปัญจมะฌานท่านเว้นไว้หลังจากปัญจมะฌานวิบากจุดติดจิตหนึ่งของพระเรียบุคคลที่ในเวหาพราพรมดับลงแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดปัญจมะฌานปฏิในเวหาพราพรมนั้นอีกเพราะพาระเดียบุคคลในภูมินี้ไม่มีการย้ายไปภูมิอื่นอีกนะจนตราบตนเองจะปรินิพานเอจําตรงนี้ในเวหา พ, าพราภูมิอ่ะถ้าไปตายในนั้นเป็นพระเดียบุคคลแล้วหมดสิทธิ์ย้ายเหมือนกัน เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นนะปุตุชนภวะคะยอดของภูมิปุตุชนนะถ้าญาบุคคลอยู่ภูมินั้นก็ไม่น้อมไปภูมิอื่นเหมือนกันหลังจากปัญจมชานิบากจุดติจิตของพราะนาคาที่อยู่ในสุทาวาสภูมิเว้นอคติทัสุทาวุปวัภูมสี่นะเว้นอคติทาภูมินะดับลงแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดปัญจมชานิบากปฏดดินที่สี่ในสุทาวาสภูมิได้เว้นสุทาวาสควรเมืองต่ำเสีย เพราะท่านไม่มีการซ้ําในภูมิเดียวกันถึงสองคนในสุทาวาสนะอวิหาตะปาสุทัสา ส, าสาสุทัสสาเนี่ยนะี่สี่ภูมิเนี่ยไม่ซ้ําตายแล้วต้องเดิเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆทาไมไม่ซ้ําอินทรียท่านบ่มขึ้นไปแล้วหลังจากปัญจมัชานิบากหนึ่งของพระลรหันทั้งหลายดับลงแล้วไม่เป็นปันใจจัยให้ปฏิสนธิดวงใดดวงหนึ่งเกิดต่อไปอีกเพราะท่านเป็นผู้สิ้นชาติพบ ที่จะเกิดในอนาคตหลังจากอารูปจุดติ4สดวงของบุทุชนดับลงแล้วเป็นปใจใัจจัยกับปฏิสนธิได้8ดวงนะหมายบากรานเนะียสามยุส4แล้วก็อารูปวิบากอีก4เท่านั้นเองหลังจากพระลรหันจุดติจิต ด, ด้วย13าดวงแล้วไม่เป็นปัจจัยปฏิสนธิในภพใหม่อีกต่อไปตรงนี้สรุปลงตรงนี้<ม>พอเพราะพรหันถามว่าพระลรหันหจุตเจิต ด, ด้วยจิตกี่ดวงกล่าวโดยรวม สิบสามดวงฉะนั้นพระอรหันต์นั้นจึงไม่ไม่มีปฏิสนธิติดต่อแล้วหมดแล้วอย่างนี้ถือว่าในปริณิพานวิถีก็เป็นนั้นว่าจบเลยนะเนี่ยหยจบแล้วบริบูรณ์แล้วแม้กว่าจะถึงวันนี้แทบแย่เลยใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยในนี้ในในหลักนี้มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มเติมปัญจทวาลวิถีอันั้นก็ไม่มีอะไรแลมะมั้งเพิ่มเติม ไม่น่าเลยใช่เนี่ถ้าอธิบายซ้าอีกเดี๋ยวเยอะเลยเนี่ยเด้อมีใครถามอะไรไหมถ้าไม่ถามเดี๋ยวลองสรบสักหน่อย